บุ๊กทูสี่สิบห้านาลาพยายดูที่โรงหนังซินิมอทีเอเตอร์วัดดาเราอยากไปดูหนังเมมูมซินิมาทีเอเวลาละนะกุตะนา ม, มั้วันนี้มีหนังดีฉาย อีโรจูว่กัมันจะซีนิมาอร์ตุนดหนังเรื่องนี้เข้าใหม่อีซีนิมาสั่งรีคตรดติช่องขายตั๋วอยู่ที่ไหนคะแชเรจิสตร์ยกันดียังมีที่นั่งว่างอีกไหมคะซีทลูกอิงก็ดี๋ยวุนายนะบัตรผ่านประตูราคาเท่าไหร่คะ โลเปลิกาเวลเลติกเกต็ตเลือดราคายันต์ท่นวันดีหนังเริ่มกี่โมงคะอ่านได้เยปุ่นมดเลยตุนดีหนังฉายกี่ชั่วโมงคะซีนีมายันต์เซปป อ, อร์ทุ่นดีจองตัวล่วงหน้าได้ไหมคะมนันเปนติกเกต็ตเลนีบุกเจสกว็วัจ๊ะดิฉันต้องการนั่งข้างหลัง นนูชีวะน่ะกชอ ว, วาลนกูตันันนุดิฉันต้องการนั่งข้างหน้านนูมุนเดรกูชอ ว, วาลนกูตัวนั่นนุดฉันต้องการนั่งตรงกลางนีนูม้มาด yellow กูช ว, วาลนกูตันั่นหนังนาตื่นเต้นซีนีมาชาละุธเตจะกรงกาบุนดีหนังไม่น่าเบื่อ ซีนิมาวิสุกกะเลดูแต่ในหนังสือดีกว่าหนังนะการีเย่พุสตะกําไปอาาปะดานพอดีอีซินิมาที่เอื้อยชดอดิชาลาบ้ากันดีดนตรีเป็นอย่างไรมิวสิคเกาล่าวนดีนักสแสดงเป็นอย่างไรนาทีนตัวอย่าลาวุ่นานารุ